เป็นสัมนวนเดิมที่แปลามาจากภาษาบาลีเนี่ยเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังจุดประสงค์ที่ทําอย่างนี้ก็เพื่อว่าให้ท่านผู้ฟังได้สามารถที่จะกลับมาหาตัวแม่บทตัวแม่บทก็คือหลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้บอกไว้สอนไว้ที่เบื้องต้นเดิมทีนั้นมีมาในภาษาบาลีแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถตังกับแปลามาเป็นภาษาไทย คนที่ไปอ่านในคมปีต่างๆที่มาในพระไตรปิฎกอ่านส่วนที่เป็นพุทธน์บ้างอ่านส่วนที่เป็นคําอธิบายบ้างทําความเข้าใจเปรียบเทียบประเด็นเอามาประยุกต์ใช้กับตัวอย่างในชีวิตประจําวันเกี่ยกับเขียนออกมาเป็นหนังสือนักหาจะจําหน่ายเป็นหนังสือธรรมะหรือเป็นบทความครูบาอาจารย์องค์ไหนเอาไปเทศบอกสอนก็ามาจากข้อความตรงนี้แหละตัมบูฟัง เอามาจากตัวแม่บทแรกเริ่มเดิมทีท่านกัลเจ้าก็จึงนำแม่บทตัวเนี้มาให้ทั้งโบฟังได้ฟังกันส่วนในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็มาคุยกับคุณสันสนีนาคพงห์แลโดยจะนำคำถามที่อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่นำมาฟังได้ส่งกันมาไม่ว่าจะส่งมาตามจดหมายหรือปริศนียบัตรที่ส่งมาที่วัดป่า ด, ดอนไฮโศกที่อยู่นั่นก็คือ เลขที่หนึ่งหมูแ่แดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความส่งมาทางเว็บไซต์ที่ p พ r e d h a m a com p u r e d h a m m a com ที่เว็บไซต์นี้ถ้านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังดูอ่านบทความหรือว่าเทศ ท, ที่มาในลักษณะสองภาษาที่เว็บไซต์ p u r e h a m a com นี้ก็จะ มีข้อมูลเรื่องราวเอาไว้ให้ทัพบุฟังอยู่ที่เว็บไซต์นั้นแล้วก็การฟังธรรมะในทัพบุฟังเป็นของดีอาจานยถึงสุขฟังด้วยสาวอาทิตย์อาจจะฟังทางออนไลน์หรือฟังทางคลื่นไหนหรือดูผ่านทางทีวีก็ตามแต่ฟังธรรมะบ่อยๆเนี่ยมันดีเพราะว่ายุคสมัยปัจจุบันนี้ทัพบุฟังชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีน่าจจะมีมากกว่านิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึง แปดสิบปีกสิบปีบ้างอายุเฉลี่ยของคนไทยก็ประมาณ70กว่านันก็ประมาณนี้แต่ในช่วง100ปีเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงก็คือมี10ปีนะแค่สครั้งะตัดไป2ครั้งแรก10ปี2ครั้งแรกก็ช่วงถึงอายุ20เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติเตบโตทำอาหากินนะตัดไปน0ปีอีกแคประมาณ4รอบ ในรอบสุดท้ายจาก60ถึง70ใน7 0ถึง80 80ถึง90 90ถึง100รอในอีกีรอบหลังนะก็ตัดออกไปด้วยเพราะว่าอายุมากแล้วทำอะไรก็ไม่ก็ได้แต่นะเพราะฉะนั้นจะเหลือที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็แค่4รอบแต่นะ4รอบของ10ปีนะที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าทำอะไรที่มันจะเป็นหลักเป็นฐานก็ช่วง40ปีนี้ตแต่ ยีสิบจนถึง60สิประมาณนี้แต่ยังพอจะมีเรยวแรงมีกำลังบางคนแข็งแรงอาจจะทำงานได้เกินไปกว่านั้นแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่พออายุห้าสิบหแล้วก็เริ่มสายตาเปลี่ยนไปกล้ามเนื้อก็เริ่มถอยกำลังส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงอายุที่มันไม่ได้มากเนี่ย่ฟังน่มีอยู่ก็อาจจะทาประโยชน์ได้บ้างในช่วงนี้ก็จึงต้องเร่งกวนควายละ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 แต่ซึ่งถ้าเราจะมาประมาทโมเมลอันนี้ไม่ควรได้พูดถึงเทวดาที่ชื่อมาลาพารีแล้วก็มีภรรยาของเทวดาที่ชื่อมาลาพารีเนี่ยที่ชื่อว่านางปฏิปูชิกาแต่ซึ่งนางนี้เป็นเทวดาสา ม, มีชื่อมาลาภารีนางคนนี้ตอนที่เป็นเทวดานี่ไปเก็บดอกม้อยู่ในสวรรค์สวนนันทวันนี่แหละเป็นสวนที่สําหรับเทวดาก็เอาไว้รื่นรมกัน แล้วก็ไปเก็บดอกไม้แล้วปรากฏว่าอีท่าไหนพลาดตกลงมาจากสวรรค์เพมาเกิดเป็นมนุษย์เต็มฝังจนกระทั่งอายุครบราบมนุษย์จนมีลูกมีอะไรเรียบร้อยละแล้วก็ตายจากอันภาพมนุษย์กลับขึ้นไปบนสวรรค์หายไปแค่แวบเดียวแค่วันเดียวแล้วามาฟังรายละเอียดของเรื่องนี้กันเรื่องของเอทวดาที่ชื่อปฏิปูชิกาเรื่องเกิดขึ้น ในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ยินว่าเทพพระบุนามว่ามาลาภารีในดาวดึงเทวโลกนั้นมีนางอับสรนพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเข้าไปสู่ในสวนเทพธิดาห้าร้อยคนขึ้นสู่ต้นไม้ยัางดอกไม้ให้ตกอยู่เทพธิดาห้าร้อยเก็บเอาดอกไม้ ที่เทพิีดาเหล่านั้นให้ตกแล้วประดับเทพประบุบรรดาเทพิีดาเหล่าใดเทพทิดาอง์หนึ่งชุติบนกิ่งไม้นั่นแหลสรีระดับไยดุดเปลวประทีปนางถือปฏิสนธิในเรือนแห่งตระกูลหนึ่งในกรุงสาวิตีในเวลาที่นางเกิดแล้ว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 นางนี้ลุกขึ้นเสร็จสับแล้วย่อมปรารถนาสามีเท่านั้นจึงขนานนามของนางว่าปฏิปูชิกาคือผู้บูชาสามีแม้นางปฏิปูชิกานั้นย่อมปฏิบัติโรงฉันเข้าไปตั้งน้ำฉันผู้อาสนะเป็นนิดมนุษย์แม้พวกอื่นใครเพื่อจะถวายสลากพัดเป็นต้น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 อายุของมนุษย์ประมาณ100ปีฝายนางเทพธิดาดนอกนี้กำลังประดับเทพประบุตรอยู่นั่นเองตลอดการเท่านี้เทพประบุตรนั้นเห็นนางแล้วกล่าวว่าเธอหายหน้าไปตั้งแต่เช้าเธอไปไหนมาหรือนางเทพธิดาฉันจุติค่ะนายเทพประบุตรเธอพูดอะไรนะ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 ทำบุญมีทานเป็นต้นปรารถนาถึงนายบ้าบาังเกิดแล้วในสำนักของนายตามเดิมก็อายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไหรประมาณหนึ่งรปีเท่านั้นเองอย่างนั้นหรือข้านายพวกมนุษย์ถืออายุประมาณเท่านี้เกิดแล้วเป็นผู้ประมาทเหมือนหลับอย่างการให้ล่วงไปหรอกหรือหรือทําบุญมีทานเป็นต้นนาย ท่านพูดอะไรพวกมนุษย์ประมาณเป็นนิดประเดหนึ่งถือเอาอายุตั้งอสงไขเกิดแล้วประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายความชงเวทเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแกมาลาภารีเทพบุตรว่าทราบว่าพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณร้อยปีเกิดแล้วประมาณนอนหลับอยู่เมื่อไหร่น้อจึงจะพ้นจากทุกได้ดังนี้ ตอนหนึ่งรปีของมนุษย์เท่าหนึ่งวันในสฉบั์ก็หนึ่งรปีของพวกมนุษย์เป็นคือหนึ่งวันหนึ่งของพวกเทพเจ้าชั้นดาวดึงสามสราตรีโดยราตรีนั้นเป็นเดือนหนึ่งกำหนดด้วยสิองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่งหนึ่งพปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นประมาณอายุของเทพเจ้าชั้นดาวดึงหนึ่งพันปีทิพนั้นโดยนับในมนุษย์เป็นสามโกฎหล้านปีเพราะฉะนั้นแม้วันเดียวของเทพปบะุตรนั้นก็ยังไม่ล่วงไปได้เป็นการเช่นครูเดียวเท่านั้นขึ้นชื่อว่าความประมาณของสัตว์ผู้มีอายุน้อยอย่างนี้ไม่กวนอย่างยิ่งแหลในวันรุ่งขึ้น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 ผู้ยังเป็นปุถุชนได้ฟังคำนั้นแล้วระลึกถึงอุปาการะของนางนั่นไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนธรรมะสังเวทก็ได้เกิดขึ้นแก่เ่าพระกีนาศพพีกสุรทั้งหลายเหล่านั้นทำพัฒกิจแล้วกลับไปวิหารถวายบังคมพระศ า, ศาสดาทูลตามบ่าแค่แต่พรุ่งผู้เจริญ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 ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพิกษุทั้งหลายข้อนี้น่าสังเวชจริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงหนอเช้าตรูนางยังอังคาดคือถวายของแก่พวกขาพระองค์ตอนเย็นได้ตายด้วยโรคที่เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นชื่อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงแลเหตุนั้นแลมันจุ ผู้กระทำซึ่งที่สุดยังสัตว์เหล่านี้ซึ่งไม่อิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมนั่นแลให้เป็นไปในอำนาจของตนแล้วย่อมพาเอาสัตว์ที่คร่ำกรวญร่ำไรไปดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าบุพพานิเหวะปะจินันตังพยาสัตตะมณสัง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 อริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทสนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องนางปฏิปุชิกาจบเพราะฉะนั้นนางปฏิปุชิกานี่เร า, เอาอายุ16ปีบวกกับจนกระทั่งลูกเริ่มเดินได้แล้วก็มีลูกคนที่สองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ห่างกันตี ส, สักสามปี3ปีสี่คน นางก็ปี12บกก็ประมาณ28นันบีสว่า30นางก็ตายอายุประมาณ30สมสมมติว่าอย่างนั้นเราก็เลยได้กลับไปหาเทวดาที่ชื่อมาลาภาลีซึ่งก็คือแค่วันเดียวนะไม่ถึงวันด้วยซ้ำเพราะว่าหายไปแค่ตอนเช้านะกลับมาตอนเย็นก็ได้พบกันอีกนะนี่คือปุถุช น, นบนสวรรค์เพราะฉะนั้นอายุของมนุษย์เราเนี่ยสั้นมากแต่นะเปรียบเทียบกับ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 แม้มันอาจจะมีเรื่องให้เราตื่นตาตื่นใจเป็นเรื่องตะการตาตะการใจเหมือนยังกรณีของเทวดาชี้ชื่อมาลาปาลีเนี่ยผู้บริจาได้ตรัสถึงเรื่องของดอกไม้ใช่ไหมแต่ว่าจะมีดอกไม้เป็นเครื่องรื่นรมผู้รรบริจาคก็เปรียบเทียบไปอีกให้กับอภิญราชจุกมุมารฟังว่ามันจะเหมือนกับราชรถที่เราประดับประดาตกแต่งไว้ดีแล้วอย่าไปเผลอเปลินเพลิดเพลินไปในสิ่งนั้นแต่ให้ตั้งสติอย่าไปตามกระแสของโลก เรื่องที่2ที่ใช้ฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องของอภิยาราชุกมุมารท่านดับระวังได้ติดตามเรื่องราวที่ข้าพเจ้านํามาเสนออยู่เป็นประจำเนี่ยเรื่องราวของอภิยาราชุกมุมานนี่จะคล้ายๆกับเรื่องราวของอัามัดที่ชื่อว่าสันตติมหาอมาัอมมัดอัมมัดนี่ก็หมายถึงรัฐมนตรีหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จะจัดแจงการงานแต่พระราชาแต่เรื่องของสันตติมหาอัมมัดนี่คือเกิดขึ้นที่เมืองโกศล พระเจ้าเประเซนที่โกศลและอพยะราชุกมุมา น, นีเกิดที่เมืองราชฤกษ์พระเจ้าพิมพิสารในคนละประเทศกันแต่ว่าก็เรื่องราวคล้ายๆกันเรามาฟังเรื่องของอพยราจุกมุมารพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารออพยราจุกมุมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเอต ปัสสิมังโลกังจิตตังราชะระถูปมังยัตถภพาลาวิสีทันติณติสังโควิชาณตังแปลว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรสที่พวกคนเข่าหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ตอนพระราชกุมาร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 สิ้นเจ็ดวันอพยาราชกมุมารนั้นไม่เสด็จออกภายนอกพระราชมนเตียนเลยเสวยเสริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันได้เสด็จไปสู่ท่าแห่งแม่น้ำในวันที่8ดทรงสงสนานแล้วเสด็จขึ้นไปสู่พระอุทยานประทับนั่งทอดพระเนตรการฟ้อน และการขับของหญิงนั้นดุดสันตติมหาอมาตในขณะนั้นเองแม่นางนั้นก็ได้ทํากาละด้วยอํานาจกองหลมกล้าดุดซาตราดุดหญิงฟ้อนของสันตติมหาอมาตย์พระกุมารมีความโศกเกิดขึ้นแล้วเพราะกาลกกิริยาของหญิงฟ้อนนั้นได้มีความคิดว่า ผู้อื่นเว้นพระศาสดาเสียจะไม่อาจเพื่ อ, อยังความโศกนี้ของเราให้ดับได้ณนีน้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทงให้ความโศกของข้าพระองค์ดับเถิดตอนอุบายระ ง, งับความโศกพระศาสดาทรงปลอบพระกุมาร น, นั้นแล้วได้ตรัสว่า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 กุมารเธออย่าโศกเลยข้อนี้เป็นฐานะที่จมลงของคนผ่านทั้งหลายดัง น, นี้แล้วได้ตรัสพระคาตานี้ต่อไปว่าเอตัปสติมังโลกังจิตตั้งราชถู ป, ปะมังยัตถะพาลาวิสีสันติัติสังโววิชานตังแปลว่า ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรถที่พวกคนเกล้าหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ตอนแก้อัดในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเอตะปัสสะแปลว่าท่านทั้งหลายจงมาดูพระาศาสดาตรัสหมายเอาพระรา ช, ชกุมาร น, นั่นเองคำว่าอิมังโลกัง กปลว่าโลกนี้ได้แก่อัตภาพเราคือกันทโลกเป็นต้นนี้คาว่าจิตังแปลว่าอันตราการหมายความว่าอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีเครื่องประดั บ, ค, ดบคือผ้าเป็นต้นดุดราชรสอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีแก้วเจ็บประการเป็นต้นคาว่ายัตถะ พาลาแปลว่าที่พวกคนเขา่าหมายความว่าพวกคนเขา่าคือคนผ่านเท่านั้นมกอยู่ในอันตภาพใดคําว่าวิชาณตังแปลว่าผู้รู้หมายความว่าแต่สําหรับผู้รู้คือบัณฑิตทั้งหลายหามีความคล่องในกิเลสเรื่องคล่องคือราคะเป็นต้น แม้อย่างหนึ่งในอัตภาพนั้นใหม่ในเวลาจบเทศนาพระราจชชุกุมารตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิปนแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ผู้ประชุมกันดังนี้แหลเรื่องอภยะรา ช, ชุกุมารจบนอกจากเรื่องของความที่เราจะไหลไปตามกระแสของโลกลในความที่อยากจะได้นู่นได้นี่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 ที่ชื่อว่าโรหินีแต่ยูคนนี้ได้เคยทําเรื่องราวในอดีตนะคือมีความริษยาในหญิงคนอื่นในชาติก่อนๆก็ไปแกล้งเขาละ่ะพอมาในชาตินี้ตัวเองก็เลยเกิดเป็นโรคผิวหนังเรามาฟังเรื่องของนางโรหินีจะได้เป็นเจ้าหญิงตอนสุดท้ายนี่กน่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่นางบรรลุเป็นโสตบันตายจากอัตภาพนี้ไปไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึง จงกระทั่งเทวดาเขาแย่งกันหลักเรามาฟังเรื่องของนางโรหินีได้ยินว่าสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะผู้มีอายุได้ไปเมืองกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุห0 0รูปครั้งนั้นพวกประญาติของท่านทรงสดับว่าพระเทระมาถึงถึงได้ไปสู่สำนักของพระเทระ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 รหินี้ก็เธอทรงทำบุญไม่กวรวหรือจะให้ทำอะไรเั้าข้าจงให้สร้างโรงฉันก็หม่อมฉันจะเ อ, อะไรทำก็เครื่องประดับของเธอไม่มีหรือมีอยู่ชัา้าข้าเครื่องประดับนั้นราคาเท่าไหร่จะมีค่าหมื่นหนึ่รอยนี้ถ้ากระนั้นเธอจงขายเครื่องประดับนั้น ให้สร้างโรงฉันเติดท่านผู้เจริญก็ใครเล่าจะทําให้หม่อมฉันเจ้าค่าพระเทระได้แลดูประญาติซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ๆแล้วกล่าวว่าขอเรื่องนี้จงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลายพวกประญาติก็แล้วพระกุณเจ้าจะทาอะไรหรือเจ้าข่าพระเทระก็แม้อัตมภาพก็จะอยู่ในที่นี้เหมือนกันถ้ากระนั้น พวกท่านจงนำทัพระสัมภะมาเพื่อโรงฉันนี้บวกประญาติเหล่านั้นรับคำดังนั้นแล้วจึงนำสิ่งต่างๆมาพระเทรฆเมื่อจะจัดโรงฉันจึงกล่าวกับพระนางโรฮินีว่าโรฮินีเธอจงให้ทาโรงฉันเป็นสองชัน้นจมเดิมแต่การที่ให้พื้นชั้นบนเรียบแล้วจงกวาดพื้นชั้นล่าง แล้วให้ปูอาสนะไว้เสมอๆจงให้ตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอๆอหนังนี้นางโรหินีรับคำดังนั้นแล้วก็ได้จำหน่ายเครื่องประดับให้ทำโรงฉันสองชั้นก็เมื่อเริ่มแต่การที่ให้พื้นชั้นบนเรียบแล้วได้ทรงทากิจมีการกวาดพื้นล่างเป็นต้นเหนืองเหนืองพวกภิกษุ ก็นั่งเสมอๆลำดับนั้นเมื่อพระนางกวาดโรงฉันอยู่นั่นแหลโรคผิวหนังก็ราบไปแล้วเมื่อโรงฉันเสร็จพระนางจึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้ถวายคาธิยะและโภชญยะที่ประนีตและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งเต็มโรงฉัน พระศาสดาทรงทรรมพัตกิจแล้วประถามว่านี่เป็นทานของใครพระนุรุตข์ของโรหินีพระน้องนางของข้าพระพุทชก้าพระศ า, า, าสดาก็นางไปไหนเล่านางอยู่ในตำหนักพระชาาุ้าพวกท่านจงไปเรียกนางมาก็ประนางไม่ประสงค์จะเสด็จมาในที่นั้น พระาศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกพระนางโรหินีมาแม้ไม่ปรารถนาจะมาก็ตามก็แลพระาศาสดาตรัสกับพระนางผู้เสด็จมาถบายบังคมประทับนั่งแล้วว่าโรหินีเหตุไรเธอจึงไม่มาพระนางโรหินีโรคผิวหนังมีที่สรีรักของหม่อมฉันพระชจ้าคา่ะหม่อมฉันละอายด้วยโรคนั้นจึงไม่ได้มา โรฮินีก็เธอรู้ไหมว่าโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอจึงเกิดขึ้นหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าคา่ะก็โรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นแล้วก็หม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าคา่ะตอนบุรพกรรมของพระนางโรฮินีลำดับนั้นพระาศาสดาทรงดำอดีตนิทานมา ตราแก่พระนางว่าในอดีตการพระอระัครเมสีของพระเจ้าพระราสีผูกอาฆาตในหญิงนักฟ้อนของพระราชาคนหนึ่งจึงได้มีดาริว่าเราจะให้ทุกเกิดขึ้นแก่หญิงนั้นแล้วจึงให้เขานำลูกเต่าร้างใหญ่คือหมามุ้ยใหญ่รับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั้นมายังสานักของตนแล้ว ให้โรยผงเต่าร้างคือผงหมามุย้ยลงบนที่นอนที่ผ้าหม่มและที่ระหว่างเครื่องใช้มีผ้าปูที่นอนเป็นต้นของหญิงนักฝอรั้นโดยประการที่นางไม่ทันรู้ตัวโปรยลงบนแม้ตัวของนางราวกับทําความเยอะหยันเล่นทันใดนั้นเองสรีระของหญิงนั้นได้พูพองขึ้น เป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่นางเกาอยู่ไปนอนบนที่นอนเมื่อนางถูกผงเตารางกัดแม้บนที่นอนนั้นเวทนากล้ายิ่งนักเกิดขึ้นแล้วพระอังกเมสีในการนั้นได้เป็นพระนางโรหินีพระศาสดาครนนาอดีตนิทานนั้นมาแล้วได้ตรัสว่าโรหินี ก็กรรมนั่นที่เธอทำแล้วในการนั้นก็ความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้มีประมาณน้อยไม่ควรทำเลยนั่นนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าโกทังชะเหวิปปะชะเหยยะมานังสัญโยชะนังสัพพะมติกเมยะตันนามะรูปสมิง อสัจชมามนังอกินจะนังนานุปตันติทุกขาแปลว่าบุคคลพึงละความโกรธละความถือตัวล่วงสังโยน์ทั้งสิ้นได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องในนามรูปไม่มีกิเลสเรื่องกังบนในการจบเตสนาชนเป็นอันมาก บรรุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแม้พระนางโรฮินีก็ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลสรีระของพระนางได้มีวันนะดุจทองคำในขนาดนั้นเองพระนางจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในระหว่างเขตแดนของเทพบุตรสี่องค์ในพบดาวดึงได้เป็นผู้น่าเลื่อมใส ถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลอเทพบุตรทั้งสี่องค์เห็นหนางแล้วเป็นผู้เกิดความสิเนหาได้เกิดความวิบาสกันว่านางเกิดภายในเขตแดนของเรานางเกิดภายในเขตแดนของเราเทพบุตรสี่องค์นั้นจึงได้พากันไปสู่สำนักของท้าวสักก์เดีวราชกราบดูลว่าข้าแต่ท่านทเทพเจ้า ข้าโปรงทั้งสี่เกิดคดีขึ้นพระอาศัยเทพธิดานี้ขอโปรงส่งวินิจฉัยคดีนั้นแม่ท้าวสกตะเทวราชพอได้ทรงเห็นพระนางก็เกิดเป็นผู้สศเนหาที่ได้ตรัสอย่างนี้ว่าก็จำเดิมแต่การที่พวกท่านเห็นเทพธิดานี้แล้วจิตเกิดขึ้นเป็นอย่างไรลําดับนั้นเทพบระบุองค์หนึ่งจึ่ได้กราบทูลว่า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 จิตของข้าพระองค์ประดุดธงที่เขายกขึ้นบนเจดีไม่สามารถจะดำรงนิ่งอยู่ได้ครังนั้นท้าวสั ก, กะจึงได้ตรัสกับเทพประบุรทั้งสี่นี้ว่าพอทั้งหลายจิตของพวกท่านยังขมได้ก่อนส่วนเราเมื่อเห็นเทพที่ด่านี้จึงจะเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้จะต้องตายพวกเทพประบุตร จึงทูลว่าข้าแต่มาราชพวกข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยความตายของพระองค์นั่นนี้แล้วนางก็สลัดเทพธิดานั้นถวายเท้าสักกะแล้วก็หลีกไปเทพธิดานั้นได้เป็นที่รักที่พอพระธฤทุไตของเท้าสักกะเมื่อนางกราบทูลว่าหม่อมฉันจะไปสู่สนามเล่นชื่อโนทนเท้าสักกะก็ไม่สามารถ จะส่งขัดคำของนางได้เลยลนี่แหละเรื่องเจ้าหญิงโรฮินี